เรื่องโลหะสมัยนั้นเมื่อท่านพระอุรุเวลกัสปะบวชแล้วเครื่องใช้โลหะเครื่องใช้ไม้เครื่องใช้ดินจำนวนมากเกิดขึ้นแก่สงฆ์ครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษากันดังนี้ว่า พร <departed? |mt|> ะผู้มีพระภาคทรงอนุญาตเครื่องใช้โลหะหรือไม่ได้ทรงอนุญาตทรงอนุญาตเครื่องใช้ไม้หรือไม่ได้ทรงอนุญาตทรงอนุญาตเครื่องใช้ดินหรือไม่ได้ทรงอนุญาตจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุ แล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตเครื่องใช้โลหะทุกชนิดเว้นเครื่องประหารอนุญาตเครื่องใช้ไม้ทุกชนิดเว้นเก้าอี้นอนบัลลังก์บาดไม้เขียงเทา้าอนุญาตเครื่องใช้ดินทุกชนิดเว้นเครื่องใช้เช็ดเทา้ากุดีดินเผา ขุดทกกะวัตถุขันทกกะที่ห้าจบ